ธรรมะในพุทธศาสนาของเราการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาของเราอย่างนี้ถือว่าเราได้กระทาเป็นสาระประโยชน์ที่แท้จริงกับชีวิตของเราเพราะตามปกตินั้น ชาวโลกทั้งหลายนั้นเขารู้จักความเป็นจริงของชีวิตเฉพาะด้านที่เป็นสมมุติสมมุติเท่านั้นเองเรียกว่าเราก็อยู่กันในโลกแห่งสมมติไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแท้ จากการตรัสรู้ของพระสมาพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้เข้าไปรู้ความเป็นจริงแท้ของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ได้นำมาบอกสอนกับพวกเราทั้งหลายดังนั้นตามปกติเราทั้งหลายเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว หากว่าเราได้เข้าใจความเป็นจริงแท้ของชีวิตของเราว่าความเป็นจริงแท้ทางด้านปรมัติฐที่มันเป็นจริงแท้ๆนั้นเป็นอย่างไรเราจะได้เลือกดําเนินวิถีชีวิตของเราให้มันสอดคล้องต้องกันกับความเป็นจริงแท้ของธรรมชาติของเขาซึ่งในขณะนี้นั้น เราทั้งหลายนั้นก็ได้เข้ามารู้ในเรื่องของชีวิตทั้งทางด้านโลกและทางด้านธรรมอย่างไรก็ตามในเรื่องของโลกนั้นเราก็คงจะต้องดําเนินชีวิตไปเพราะส่วนหนึ่งเรายังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการหาปัจจัย ที่จะมาดำรงชีวิตของเราทางด้านกายให้มันสามารถดำรงอยู่ได้นั่นก็คือเรื่องของทางโลกเราจะต้องดำเนินชีวิตกับทางโลกเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะรู้ทางด้านทำด้วยเราจะได้มาดำเนินชีวิตในทางด้านทำด้วยในเรื่องของทางโลกนั้น ไม่ได้หมายความว่าพระสมมาผูา้เจ้าจะไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ใช่พระองค์ตรัสไว้เลยว่าในเรื่องของทางโลกนั้นเราก็ว่าไปตามโวหารของโลกพระองค์ใช้คําว่าอย่างนี้คือให้ว่าไปตามโมหารของโลกอย่าไปขัดโลกเขาอย่าไปขวางโลกเข า, เาก็ว่าไปตามโวหารของโลกแต่ว่า ให้เรารู้ว่าอะไรคือความเป็นจริงแท้ของชีวิตของเราเราจะได้พยายามหันเหในการดําเนินวิถีชีวิตของเราให้มันสอดคล้องต้องกันกับในเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นความเป็นจริงแท้ๆตามที่พระสมัยพระเจ้าของเราได้ตรัสรู้นั้นเพราะนั้นขนาดนี้เราก็ ดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันเราก็ไม่ขัดทางโลกเขาก็ว่าไปตามโวหารของโลกเขาส่วนทางด้านใจของเรานั้นจิตใจของเรานั้นในทางทา ง, งด้านทางธรรมนั้นเราก็ควรจะต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมายึดมั่นเพื่อไม่ให้จิตของเราได้วันไว้ เพื่มเมจิกของเรากระเพื่อมไปตามโลกเขาสิ่งที่พระสมมารพระเจ้าให้เราเอาจิตของเรามาเป็นหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปิต จ, จิตของเรามาเป็นที่พึ่งมาเป็นสรณะก็คือรองท่านให้เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสารณะของจิตมาเป็นที่พึ่งของจิต เพื่อไม่ให้จิตเราวันไหวไปตามโลกเขาทีนี้เมื่อพูดถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของจิตนั้นต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระสมบูญเจ้าตรัสให้เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของจิตนั้นจะต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นนามมารมที่เป็นนามธรรม อะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นนามธรรมแล้วเป็นสิ่งเดียวกันด้วยทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอัฏฐะโดยอัฏฐะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันโดยพยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกันนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นนามธรรมที่หมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ ความเป็นสุญญตาความเป็นวิสุทธิยาความเป็นอาภาและความเป็นสันติสุญญตาก็คือความว่างวิสุทธิยาก็คือความสะอาดอาภาก็คือความสว่างสันติก็คือความสงบนั่นหมายความว่า ที่เป็นพระสมาพุทธเจ้านั้นมีลักษณะเป็นความว่างความสะอาดความสว่างความสงบธรรมชาติอันสูงสุดก็คือความว่างความสะอาดความสว่างความสงบจิตของพระอริยสงฆ์สาวกของูริพุทธเจ้าที่เป็นอรหันต์แล้วก็มีลักษณะเดียวกันคือความว่างความสะอาดความสว่างความสงบ นี่แหละที่เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นองค์จริงแท้ที่เป็นลักษณะเดียวกันทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าเป็นความสุญญตาหรือความว่างว่างจากอะไรประการที่1ว่างจากตัวตนประการที่สองว่างจากเจ้าของและประการที่สว่างจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่น นี่ความหมายของคําว่าสุญญตาในภาษาธรรมะของพระพุทธเจา้าว่างจากตัวตนว่างจากเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะใครๆก็ไปบังคับบัญชาทั้งรูปทั้งนามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เแล้วในที่สุดก็คือพระเจ้าให้เราว่างจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเสีย นั่นคือลักษณะของจิตของพุทธเจ้าจิตที่เป็นพุทธะว่างอย่างนี้สะอาดสะอาด จ, จากอะไรสะอาด จ, จากสิ่งที่เป็นสิ่งโสโคร ก, กทั้งหลายเลยพระสมาพระเจ้าถือว่ากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงนั้น เป็นสิ่งสุกภกแต่จิตของที่เป็นพุทธแล้วเป็นจิตที่สะอาดปราศจากสิ่งสุปภกเหล่านี้แล้วไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนี่แหละเรียกว่าวิสุทธิยาคือความสะอาดสะอาดจากสิ่งที่เป็นสิ่งสุกภพอาพา อาภาคือความสว่างสว่างในที่นี้หมายถึงสว่างด้วยปัญญาพระสมัยพระเจ้าอุปมาแสงสปัญญาเท่ากับเป็นแสงสว่างอุปมาว่าแสงสว่างนั้ น, นคือเป็นปัญญาอาววิชาคือความมืด เพราะนั้นคำว่าอาพาในที่นี้หมายถึงจิตดวงนี้สว่างสวายด้วยปัญญาไม่มืดมนอนตรการด้วยอวิชชาต่อไปจิตที่เป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นจิตของพระเจ้าก็ดีจิตของพระอาหารหันต์ก็ดีอาพาคือสว่างสว่างสวายด้วยปัญญาไม่มืดมนอนตรการด้วยกิเลสอวิชชาต่อไป นี่ความหมายของคำว่าอาภาคือความสว่างประการสุดท้ายที่เป็นสันติความสงบถามว่าสงบจากอะไรสงบจากสังขารการปรุงแต่งจิตที่เป็นพุทธะจิตที่เป็นพุทธะของพุทธเจ้าของพระอรหันต์เป็นจิตที่สงบแล้ว เป็นจิต ท, ที่สงบแล้วสังขารไม่สามารถจะมาปรุงแต่งให้เกิดความยินดีไม่สามารถที่จะมาปรุงแต่งให้เกิดความยินร้ายในสรรพสิ่งทั้งหลายได้ต่อไปแล้วเรียกว่าจิตของที่เป็นพุทธานั้นไม่หวนไหวไม่หวนไหวไปกับโลกกระทไม่หวนไหวไปกับโลกกรรม ไม่ว่าจะได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้สุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกจิตของพระองค์ก็นิ่งไม่หวันไว้มั่นคงแต่จิตของชาวโลกนั้นยังวันไว้ไปกับโลกก็ทำแปะเมื่อได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้สุขกโอเกิดความยินดีปรีดาปราโมลรื่นเริงสนุกสนาน แต่พอถึงคราวเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนั่นก็เกิดความโศกเศร้าลำไห้ลำพันเสียอกเสียใจร้องโ h มร้องไห้แต่จิตของที่เป็นพุทธะแล้วจะไม่วันไหวนี้สี่ประการนี้คือความว่างความสะอาดความสว่างความสงบนี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์จริงแท้ พระสมมาผู้เจ้าประสงค์ที่จะให้เราเอาสิ่งทั้งสีน่นี้มาเป็นที่พึ่งมาเป็นสาระมาเป็นที่ยึดที่เหนียวของจิตของเราหมายความว่าให้เราเอาความว่างความสะอาดความสว่างความสงบมาเป็นจุดหมายปลายทางของเราว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดนี้นี่แหละถ้าเราเอาสิ่งนี้ มาเป็นที่พึ่งของเราก็เรียกว่าเราได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของเราเพื่อเราที่จะเดินทางไปสู่จุดนี้นี่แหละที่พระสมาพุทธเจ้าตรัสว่าการที่ท่านให้เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้เป็นสู่ความพ้นทุกข์ที่พระองค์ตรัสว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละสามารถที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาเป็นที่พึ่งของจิตของเราให้จิตเรากำหนดเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่เราจะเดินทางไปสู่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจิตเรากำหนดได้อย่างนี้แล้วก็คล้ายๆกับเป็นการกำหนดวิถีชีวิตของเรา ก็ในเมื่อจิตเรากําหนดว่าสิ่งสี่อย่างนี้เป็นจุดหมายปลายทางชีวิตของเราแล้วแน่นอนเราก็เดินไปตามหนทางมรรคที่พระสมมาผู้เจ้าตรัสแสดงไว้ให้เราเราจะไม่ออกนอกมรรคจะไม่ออกนอกทางวิถีที่เราจะดําเนินไปตามมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ที่พระสมมาผู้เจ้าตรัสชี้ไว้ให้เรา ว่าอาริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นเป็นทางเดินที่เราจะไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นคือความว่างความสะอาดความสว่างความสงบเราจะไม่ออกนอกมานี่เป็นการกำหนดวิถีชีวิตของเราในทางธรรมกำหนดวิถีชีวิตของเราในทางธรรมเพราะฉะนั้นนี่แหละ อตาตมายอยากจะย้ำสิ่งนี้ที่ท่านทั้งหลายก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วการที่อตาตมาได้กล่าวอนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายในตอนต้นก็คือว่าบัดนี้เรากําลังเดินดําเนินชีวิตของเราในวิถีทางมรรคที่พระสมมาผู้เจ้าตรัสแสดงไว้แล้วจุดหมายปลายทางของเราก็คือให้จิตของเราไปบรรลุสู่ความว่างความสะอาดความสว่างความสงบ ซึ่งเป็นลักษณะของจิตที่เป็นพุทธะจิตที่เป็นพุทธะซึ่งในระยะมรรคมโยงแปดนั้นเมื่อย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิแหลปปัญญาอย่างที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในขณะ น, นี้นี่อาตมา ถ, ถึงได้กล่าวว่าโอเราขณะนี้เราได้กร ะ, กระทาในสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์ที่แท้จริงในชีวิตของเรา ในศาสนาอื่นเขาไม่รู้อย่างนี้เขาไม่รู้ความเป็นจริงแท้ของชีวิตอย่างที่พระสมามาพรมพุทธเจ้าของเราเข้าไปตรัสรู้เขาก็ดำเนินชีวิตในทางโลกจริงๆนั้นชีวิตนั้นมันหาได้จบลงจากการตายในชาตินี้เท่า น, นั้นไม่มันไม่ได้จบลงจากเพียงว่าตายในชาตินี้เท่า น, นั้นเองการตายในชาตินี้ของเราเป็นการตาย ของขันห้าของร่างกายของร่างกายมันตายจิตมันไม่ได้ตายจิตมันเป็นอมตะธรรมมันไม่ได้ตายไปด้วยจิตมันต้องไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้าหาว่าบังเอิญมาเกิดในร่างของมนุษย์อย่างนี้หรือเกิดในร่างของเทวดาเกิดในร่างของพรหม มันก็นับว่าดีหน่อยแต่ถ้าหาว่ามันบังเอิญจะต้องไปเกิดในร่างของสัตว์นรกล่ะในร่างของเปรตล่ะในร่างของอสุรกายล่ะในร่างของสัตว์เดรัจฉานหมูม้าเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายล่ะที่ตาเนื้อเรามองเห็นขนาดนี้นะ่ะเป็นอย่างไรแน่นอนเราจะต้องมีโอกาสไปเกิดอีกเพราะบาปกรรมที่เราทำไวแต่ภพชาติก่นก่อนนู้น ยังสามารถที่จะส่งเราไปเกิดในอบายภูมิอย่างนั้นได้อีกนั่นชีวิตมันไม่ได้จบลงเพียงแค่การตายในชาตินี้เท่านั้นการตายในชาตินี้นะนะพระสมัยพระเจ้าเรียกว่าสมมุติมรณนะสมมติมรณะตายอย่างสมมุตินะั่นเองตายอย่างสมงสมุติจุดหมายปลายทางของพระเจ้า ถ้าให้เราตายอย่างสันติมรณะการตายมีอยู่สองอย่างสมุติมรณะกับสันติมรณะการตายอย่างสันติมรณะคือเป็นการตายของขันห้าครั้งสุดท้ายหมายความว่าต่อจากนั้นไปจิตจะไม่มีขัน ใ, นใดๆอีกแล้วจะไม่มีขัน ใ, นใดๆอีกแล้ว นั่นะจิตจะเข้าสู่แดนกระเสแดนพระนิพพานชั่วอนันตการอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการตายแบบสันติมรณะพระพุทธเจ้าให้เราสอนให้เราตายอย่างสันติมรณะคือตายอย่างละทิ้งขันไม่มีขันอีกต่อไปถ้าตราบใดมันยังมีขันอยู่นั่นแหละไอขันห้าตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตัดว่ามันเป็นของหนักใช่ไหม พระองค์ตรัสว่าพาราหาเวปัญจักขั่นทาขันห้าเป็นของหนักภาระหาโรจะปุขโรแต่บุคคลก็ยังแบกเอาของหนักกันเข้าไว้ภาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักนั้นนะเป็นทุกข์ที่สุดในโลกประโยคสุดท้ายพระองค์ตรัสว่าภ า, าระนิกเเคปันนางสุขขัง ถ้าปล่อยวางขันห้าเสียได้จะเป็นสุขโดยแท้นี่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ขณะนี้เราทุกคนทั้งหลายนั่นนะแบกขันห้ากันไว้แล้วไม่ใช่ขันห้าแบกกันห้าขันเดียวนะโยมแต่ละคนนั่นนะแบกขันห้ากันไว้คนละหลายหลายขันนะขันห้าของพ่อขันห้าของแม่ ขันท่าของพี่ขันห้าของน้องขันห้าของลูกขันห้าของเมียขันห้าของสามีโอขันเดียวนี้ก็หนักพอดูแล้วยังแบกกันไว้คนละหลายขันนี่พระเจ้าแนะนำปล่อยให้เราปล่อยวางขันห้าเสียให้เราปล่อยวางขันห้าเสียเพราะฉะนั้นนี่แหละในภาควิปัสสนานในภาควิปัสสนาน พระสมาพูทเจ้าจริงให้เรามาเพียนเพ่งพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องของรูปนามขันห้าเท่านั้นในภาควิปัสสนาให้เราเกิดปัญญาเข้าไปรู้ความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันห้าเสียแล้วเราก็เมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันห้าแล้วนั้นเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้ปล่อยวางขันห้าลง เราจะได้ปล่อยวางขันห้าลงเมื่อเราสามารถปล่อยวางขันห้าลงได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นสุขที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาของเรานั้นซึ่งก็ประกอบด้วยสองขัน้นขั้นสมถะกับขั้นวิปัสนาขั้นสมถะก็คือในเรื่องของการทาจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิ มีความจำเป็นต้องทำจิตให้เราของเราให้เกิดความเป็นสงบเป็นสมาธิก่อนไม่งั้นปัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้ตราบใดที่จิตมันยังว้าวุ่นอยู่ยังวุ่นอยู่กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังวุ่นอยู่กับทั้งโลกทางด้านโลกียะเพราะนั้นปัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญามันเกิดขึ้นยากพระเจ้าจึงให้เราทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ดีซะก่อนแล้ว เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิดีนั่นแหละต่อไปนี้เมื่อเราเอาจิตมาเพียนเพ่งพิจารณาดูในเรื่องของทั้งรูปทั้งนามทั้งขันห้าแล้วนั่นแหละปัญญามันจึงจะเกิดขึ้นได้คุณโยมปัญญามันจึงจะเกิดขึ้นได้นี่เราต้องทำตามขั้นตอนมาอย่างนี้ซึ่งในที่นี้ของเราก็ได้พูดถึงเรื่องของสมระถได้พูดถึงเรื่องของสมาธิกันมานานจะนักว่าทักสองปีได้เขาคงจะพอได้แล้ว เพราะระยะนี้อาตมาจึงได้พยายามที่จะนำโยมเข้ามาพิจารณาในเรื่องของวิปัสนาเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาและในเรื่องของวิปัสนานั้นองค์ภาวน า, ห ร, า, รรานหรือองค์กรรมฐานหรืออารมณ์กรรมฐานของวิปัสนานั้นมีสองอย่างเท่านั้นมี2ออย่างเท่านั้นคือรูปกับนาม รูปธรรมกับนามธรรมในขันห้าซึ่งผิดกับองค์ภาวนาหรืออารมณ์กรรมฐานของสมถะหรือวิสมาธินั้นมีมากถึง4ี่สิบพระองค์ให้ไว้ถึง4ี่สิบแต่สำหรับในเรื่องของวิปัสสนาแล้วมีเพียงแค่สองอย่างนี้เท่านั้นเพราะขณะนี้น่ะเราแบกขันห้ากันไว้เราไปยึดมั่นเอาถือมั่นในขันห้าไว้นี่แหละ ที่ต้องทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่จบไม่สิน้นก็เพราะตัวนี้เพราะเราที่การที่เราหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในขันหานี้เองดังนั้นพูะเจ้าจึงในเรื่องของภาวิปัสสนาให้เราดูอยู่กับเพ่งดูอยู่กับรูปกับนามกับขันหานี้เท่านั้นให้เขาไปรู้ความเป็นจริงแท้ของขัน ของรูปนามขันหา sheet, ้านี้ให้ได้เมื่อเราสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันห่านี้ได้นั่นแหละจิตของเราก็จะค่อยๆเกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายรูปนามขันห้าแล้วจิตจะจะได้ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่อยๆปล่อยค่อยๆวางลงสิ่งที่พระสัมมาพุทธเจ้าให้เข้าไป ให้เราเข้าไปรู้ความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันหานี้น่ะประการที่หนึ่งก็คือให้เราเข้าไปรู้ไปเห็นท่านใช้คำว่ายานทัศนะคือให้เข้าไปรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้รู้อย่างเดียวไม่เห็นก็ไม่ได้หรือเห็นอย่างเดียวไม่รู้ก็ไม่ได้ท่านจึงใช้คำว่ายานทัศนะยานทัศนให้เข้าไปรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นว่าประการหนึ่ง รูปนามขันหานี้ไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องเข้าไปเห็นด้วยเห็นด้วยตาในเห็นด้วยตาในเห็นด้วยสติให้เข้าไปเห็นเลยว่ารูปนามขันหานี้มันไม่เทียงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานี้ประการที่หนึน่งประการที่สองให้เข้าไป รู้ไปเห็นว่ารูปน้ำขันห้านี้น่ะมันไม่สวยไม่งามมันเป็นอสุภะเป็นอสุภังเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งที่มันไม่สวยไม่งามแหละประการสุดท้ายต้องให้เห็นว่ารูปน้ำขันห้านี้มันเป็นขนหนักอย่างที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อสักครู่นี้เป็นภาษิตไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ารูปน้มขันห้านี้มันเป็นของหนักมันหนักอย่างไรมันหนักอย่างไร ให้เกิดความรู้สึกว่าขณะนี้โอ้โหเราแบกเราแบกเอาขันท่าไว้มันหนักอย่างนี้เองถ้าเรารู้เราเห็นรูปนามขันท่าสามอย่างนั้นที่กล่าวมานี้แล้วนี่แหละจิตมันจึงจะเกิดการเบื่อหน่ายจิตนี้จึงจะเกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายแล้วนั่นแหละมันจะค่อยๆละค่อยๆคลางค่อยๆละค่อยๆคลาย ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางรูปนามขันห้ารงขันห้ารูปนามขันห้ารงทุกมัน ก, ดกดนนนะ็ดับทุกดับตรงนี้นะโยมนะดับทุกดับตรงนี้ดับตรงที่ปล่อยวางขันห้าลงเสียโดยใช้ภาษาคำพูดของพระอระหันต์ท่านว่าอยู่ใครอยู่มันอยู่ใครอยู่มันขันห้าก็อยู่ส่วนขันห้า จิตก็อยู่ส่วนจิตจิตก็อยู่ส่วนจิตต่างคนต่างอยู่อยู่ในบ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่าต่างคนต่างอยู่นี่แหละทุกมันดับตรงนี้คุณโยมนะเพราะฉะนั้นในภาควิปัสสนานี้จะเห็นว่าพระสัมาพุทธเจ้าให้เราดูอยู่กับรูปกับนามกับขันหานี้เท่านั้นไม่ต้องไปดูอย่างอื่น เพราะเรายังไม่รู้ความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันหัเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติภาควิปัสนาของเรานั้นเราจะต้องเอาวิปัสนาญาณสิบกที่ท่านได้วางไว้เอามาเป็นตัวตั้งเราจะต้องปฏิบัติให้จิตของเราเกิดปัญญาตามวิปัสนาญาณส6บหนั้นหรือที่เรียกว่าโสรถญาณ ยาน16บหจะต้องเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งต้องเกิดปัญญาอย่างนี้ต้องเกิดปัญญาในเหมือนกับในยานสิหนี้เหมือนกับในวิปัสสนาญาณ น, นี้ถ้าไปเกิดปัญญาอย่างอื่นเราก็ยังหลงขันห้าอยู่ยังหลงรลปนามขันห้าอยู่ถ้าไปเกิดปัญญาอย่างอื่นยิ่งปัญญาในทางโลกด้วยแล้วนะ ย, ยิ่งหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่น ในรูปนามกันห้ามากคือบี น, นี่ต้องปัญญาในทางธรรมต้องปัญญาสิบหขั้นที่ท่านวางไว้นี้เพราะนนั้นเราต้องเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งเพรา ะ, ะนั้นขณะนี้อาตมาภาพก็ได้พยายามแนะนําพวกเราทั้งหลายให้มาพิจารณาในเรื่องของปัญญาต่างๆในสิบหขั้นนี้ท่านวางไว้อย่างไรท่านวางไว้อย่างไรท่านวางไว้เป็นลําดับลําดับของท่านถูกต้อง เราต้องมาศึกษาอันนี้เดี๋ยวๆกันก็ได้เราต้องมาศึกษาอันนี้อย่างปัญญาขั้นที่หนึ่งในวิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งที่เราได้กล่าวกันไปแล้วก็คือท่านว่านามรูปะปริเฉทธญาณปัญญาอย่างรู้แยกรูปแยกนามได้ ปัญญาอย่างรู้แยกรูป แ, แยกนามได้ราะนั้นในการที่เราจะไปพิจารณารูปนามขันห้าก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือรูปอะไรคือนามให้ชัดเจนซะก่อนพอถึงจะไปพิจารณาได้ถ้าตราบใดเรายังแรกแยกรูปแยกนามไม่ได้ตราบนั้นเราก็ยังไปพิจารณารูปนามไม่ชัดเจน รูปประการที่หนึ่งก็หมายถึงร่างกายนี้อาการสามสิบสองนี้นี่เป็นรูปอาการสามสิบสองนี้เป็นรูปนี่เป็นรูปประการที่สองอารมณ์จากภายนอกที่มากระทบตาหูจมูกลิ้น กายเป็นรูปทั้งหมดอารมณ์จากภายนอกที่มากระทบตาก็ดีกระทบหูก็ดีกระทบจมูกก็ดีกระทบลิ้นก็ดีกระทบกายก็ดีเป็นรูปทั้งหมดนั่นก็คือหมายถึงทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพ ผธทพะก็คือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวที่มากระทบกายเป็นรูปทั้งหมดนี่นี่รูปนี่เป็นรูปตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะเป็นรูป ธาตุทั้งหมดเป็นรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นรูปเป็นรูปทั้งหมดนี่ให้เราเข้าใจนอกจากนั้นแล้ว กายในสติปัฏฐานสี่รูปกายในสติปัฏฐานสี่อะไรคือรูปกายในสติปัฏฐานสี่หนึ่งลมหายใจเข้าออกเป็นรูปกาย